เอามือรูปหน้ารูปตัวหรือเอาน้าล้างหน้าก็หายง่วงเนี่ยเป็นวิธีแก้ความง่วงเหาวหานอนแก้ความเกียดครานท่านก็สอนให้เราเนี่ยสร้างความรู้สึกว่าเวลาเนี่ยแม้เป็นเวลาสว่างกลางวันเหมือนกับ เ, เราเนี่ยอยู่กลางแจ้งอยู่กลางแสงจันแสงอาทิตย์แล้วจิตก็จะสว่างขึ้นไม่ตกไม่ตกอยู่ในฐานะที่เป็นทีนามิธะคือตกลงสู่กระแสผวัง ประการที่8ดเบ้นจากคนเกียรครานคนขยันต้องไม่คบคนเกียรครานคนไหนเกียรครานอย่าไปคบค่าสมาคมด้วยก็คืออย่าไปสมาคมกับคนที่ไม่ทำอะไรต้องสมาคมกับคนที่ทำงานคนที่มีความขยันขันแข็งเท่านั้นคนที่ไม่มีความขยันอย่าไปสมาคมประการที่เกเสดคนที่ปรารบความเพี้ยนก็คือต้องคบคนที่ขยนัน คนไหนมีความเพียรมีคนขยนันเราต้องสมาคมกับคนเหล่านั้นยกย่องคนขยนันอย่าไปยกย่องคนเกียรตคร้าบโดยปะกติแล้วบางทีเราเข้าใจว่าคนเกียรติคราบเนี่ยดีกว่าคนขยนันโดยปะกติคนเกียรติคราบเนี่ยมักจะเป็นคนช่างพูดเป็นคนช่างเจรจาคนช่างพูดช่างเจรจานี่บางทีแกดีแต่พูดดีแต่เจรจาแต่แกไม่ทําหรือพูดเก่งแต่ทําไม่เก่ง พูดเป็นแต่ว่าทำไม่เป็นบุคคลประเภทเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะว่าการที่เราเจะเสพบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นจะต้องเสพบุคคลที่ปรารบความเพียด้วยการปฏิบัติคนที่ช่างเจรจาส่วนมากมักจะทำอะไรไม่เป็นแล้วก็ทำอะไรไม่เก่งเราต้องพิจารณาถึงคนที่ทำถ้าจะพูดเก่งก็ต้องทาเก่งด้วย พูดเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำให้เก่งด้วยต้องทำให้ดีด้วยเราจึงจังกยกย่องบุคคลเหล่านั้นการที่เราเศษุบุคคลที่ปราศความเพียนอย่างเนี้ยก็เป็นเหตุหนึงทำให้เราขยันเพราะคนขยันก็จะพูดถึงเรื่องงานทำให้เราเกิดความรู้สึกขยันอยากจะทำงานขึ้นต้องครบคนอย่างนี้ประการที่สีพิจารณาสมมัิปทาน พิจารณาสมมติฐานคือพิจารณาถึงความเพียรในการขัดเกลากิเลสในการที่จะขจัดอกุศลต่างๆที่เ huh, กิดขึ้นแล้วให้หมดไปเพียรพยายามไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิดเนี่ยเกิดขึ้นมาหรือเพียรพยายามที่จะปลูกฝังอกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้คงอยู่อย่าให้เสื่อมไปการที่เราใช้ความเพียรอย่างนี้อยู่เสมอนั้นก็เป็นเหตุหนึ่งให้เกิดวิรญาณขึ้นมาได้ าการที่ติดเอ็ดต้องมีอัจฉริยาสายน้อมไปสู่คุณธรรมนั้นๆมีอัจฉริยาสายน้อมไปสู่คุณคือความเพียรด้วยเห็นอานิสงส์แห่งความเพียรเหล่านี้แล้วก็น้อมจิตเหล่านี้ไปสู่ความเพียร น, นั้นๆ น, น, นี่เป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เกิดบุริยสัมโพธชงขึ้นทีนี้ปีติสัมโพธชงจะเกิดได้อย่างไรปีติสัมโพธชงจะเกิดได้ต้องอาศัย การพิจารณาถึงพุทธคุณหรือการเจริญอนุสติเช่นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปสมานุสติเหล่านี้หรือการที่เราได้เศษบุคคลผู้ที่มีอัจฉิยาศัยต่างๆดีเช่นเราเศษบุคคลที่มีความขยันหมัน่นเพียรดเีเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติ เว้นจากคนที่มีจิตเศร้าหมองหรือว่าเสพคนที่หนักแน่นไม่เสพคนที่มีหูไวใจเบาเราไม่เสพบุคคลประเภทนี้มันพิจารณาถึงภาษาพระมิยสูตรซึ่งเป็นสูตรที่เราได้ฟังแล้วก็จะเกิดความปีติปราโมทย์แล้วก็รู้จักน้อมจิตไปสู่คุณธรรมนั้นๆัถ้าหากว่ามีการพิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอ ธ ร, รมวิจยะสัมโพธชงวิริยะสัมโพธช ง, ธชงปีติสัมโพธชงที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะพิโยภาพยิ่งขึ้นคือเจริญยิ่งขึ้นต่อไปเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่เราประคองจิตในสมัยที่ควรประคองคือในสมัยที่จิตเนี่ยเกิดความหดหู่ท้อถอยก็ต้องแก้ไขด้วยทำสามประการนี้คือต้องเจริญธรรมวิจยะสัมโพธชงต้องเจริญวิริยะสัมโพธชงและปีติสัมโพธชง ถ้าจเจริญโพชฌงทั้งสาประการเราก็สามารถที่จะขจัดความเกียดคร้านต่างๆได้นี่อยู่ในข้อประคองจิตในสมัยที่ควรประคองก็คือจิตในสมัยที่เกลียดคร้านที่หดหูท้อถอยอสําหรับภาวะจิตอย่างอื่นเราจะประคองอย่างไรนั้นท่านกระตัดเอาไว้โดยละเอียดซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปเพราะว่าจิตไม่ใช่จะหดหูอย่างเดียว บางทีก็ปุ้งซ่านเวลาสิปุ้งซ่านเนี่ยเราจะแก้ไขได้อย่างไรอันนี้อาตมาจะได้บรรยายอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์หน้าเพราะว่าอาทิตย์นี้เวลาของการบรรยายก็รุ่งเลยมาพอสมควรแล้วจะได้นำเอามาอธิบายท่านทั้งหลายได้เข้าใจในอาทิตย์ต่อไปอาทิตย์นี้ขอขอบใจทุกท่านที่ได้มาฟังในวันนี้ท่านผู้ชนทั้งหลาย การบรรยายคำที่บริสุทธิที่มักในวันนี้อาตมาจะอธิบายต่อจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนได้พูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับบุคคกิจเบื้องต้นที่เราจะทุนปฏิบัติก่อนที่จะเข้าสู่การทาสมาธิและหลักวิธีการเจริญสมาธิที่เป็นปัตถวีกสิน การเจริญปทวีกรีสินซึ่งเป็นกรสินข้อที่หนึ่งในบรรดากรสินสิบพุทธประสงค์ที่ให้เราได้ปฏิบัติเช่นนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดสมาธิจิตอันมั่นคงและเป็นบาทที่จะให้เกิดอภินยาในขั้นต่อไปออการบำเพ็ญเ พ, ง, เพงทางจิตด้วยการเพ่งกระสินนี้ในปัจจุบันเราไม่ค่อย ที่จะได้เห็นกันง่ายนักเพราะผู้ที่ปฏิบัติในด้านสมถกรรมฐานนั้นท่านมักจะเป็นผู้หลีกเล่นเช่นย่อมยินดีในวิเวทเป็นต้นว่ากายวิเวทคือปลีกตนเองออกไปสู่ที่สงบหรือมีความสงัดในทางกายเช่นมักจะปลีกตนเองไปอยู่ป่าอยู่ถ้าไม่มีผู้คนสัญจรไปมา ท่านเหล่านี้ยินดีในกายวิเวก่อนเป็นเบื้องต้นต่อไปจึงจะทำจิตวิเวกให้เกิดคือมีความสงบในทางจิตเพราะว่าเมื่อเรานำตนไปสู่สถานที่เช่นนั้นแล้วก็ น, นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้บาเพ็ญเพียรทางจิตเรื่องความสงบนีเ่เป็นที่ปรารถนาของบัณฑิตหรือผู้ที่เห็นไพยในวัฏฏสงสาร ผู้ที่เห็นภายในวัฏับสงสารนั้นย่อมปราถนาความสงบผู้นี้ถ้าหากว่าได้เห็นโคนต้นไม้เห็นถ้ำเห็นป่าเรือนน้างที่ไม่มีผู้คนสัญจรไปแล้วก็เหมือนว่าสถานที่เหล่านี้เป็นรัมณิยสถานของท่านท่านย่อมจะมีความรู้สึกพอใจในสถานที่เช่นนั้นเพราะว่าอันนี้ได้วิเวกข้อที่หนึ่งคือกายวิเวก เมื่อเราได้กายวิเวกแล้ววิเวกข้อที่สองก็คือจิตตะวิเวกจิตย่อมสงบได้ง่ายในสถานที่เหล่านั้นเพราะว่าถ้ากายไม่สงบจิตจะสงบไม่ได้นี่โดยหลักการปฏิบัติในด้านของสมถกรรมฐานฉะนั้นการทำสมาธิจิตที่เราเรียกว่าเจริญกระสีนี้เราจึงมักไม่ค่อยได้เห็นกันในเมือง เพรว่าเราเองเป็นคนเมืองเราเองเป็นคนบ้านเราจึงไม่ได้เห็นผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้และผู้ที่ปฏิบัติเช่นนี้ท่านก็เป็นคนที่ไม่คุกคลีอยู่ตามบ้านท่านมักจะอยู่ป่าอยู่ถ้าแสวงหาความสงบของท่านหรือสแสวงหาทางบุกต้นด้วยดำพังตัวของท่านเองท่านเหล่านี้มักจะมีจิตโน้มไปในทางปัจเจ ก, กโภตคือ ไม่ขวนขวายในการที่จะเผยแพร่หลักปฏิบัติส่วนมากกขาทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเป็นส่วนใหญ่ที่เราเรียกว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอาวิสัยของพระปัิเจกับโพ์นั้นต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่สั่งสมบมัตมีด้วยการฝนสักหรู้สักเป็นอันมากให้ข้ามพ้นจากวัตฏะสงสาร แต่พระประเจกโพธิ์ท่านจะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นท่านจะปฏิบัติเฉพาะตัวท่านเองถือว่าเมื่อทําตนเองให้พ้นจากทุกข์ได้แล้วก็เป็นหลักอันเปิดเผยสําหรับท่านส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ท่านสร้างบารมีเพื่อที่จะโปรดเวเนยสัตดิ์โดยเฉพาะฉะนั้นจึงไม่ปรากฏ ว, ว่าพระประเจกโพธิ์นี้เป็นผู้ตั้งาศาสนาขึ้นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้ น, น, น ที่เป็นผู้ตั้งาศาสนาขึ้นไว้ในโลกดังที่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าการประดิษฐานพพุทธศาสาศนาขึ้นไว้ในโลกนั้นได้ทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมมนุษย์เนี่ยอย่างมากมายถ้าเราไม่มีหลักพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวในทางจิตความวุ่นวายในสังคมมนุษย์จะเกิดขึ้นมากกว่านี้เราจะประสบต่อความทุกข์มากมายกว่านี้ และก็หลายท่านด้วยกันก็คงจะต้องหมกมุ่นอยู่กับการทำบาปไม่มีทางที่จะปฏิบัติตนในทางที่เป็นกุศลได้หรือไม่มีทางที่จะได้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่าชีวิตเนี่ยเกิดมากันเพื่ออะไรผลสุดท้ายก็จะตกไปเป็นเหยื่อของความเกิดแก่เจ็บตายโดยที่ไม่ได้อะไรไปเลยในชีวิตปัจจุบันนี้แต่นี่เราอาศัย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศพระพุทธศาสนาเราจึงได้รับแสงสว่างมากมายฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติสมถ า, ากรรมฐานนี้วิสัยของท่านมักจะโน้มไปในทางปัดเจกโพ์มีน้อยท่านที่จะอาศัยสมถะเป็นพื้นฐานแล้วบำเพ็ญบา ร, รมีให้เกิดประโยชน์ต่อไปผู้ที่อาศัยสมถะเป็นพื้นฐานเพื่อสร้างบา ร, รมีเนี่ย เราศึกษาได้จากพระเถระในประเทศไทยเราตั้งแต่ในอดีตมาตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้ เ, เช่นพระเถระบางท่านท่านทรงคุณในด้านของสมาธิจิตท่านเหล่านี้จะเสียสละเพื่อสร้างบา ร, รมีมากเราศึกษาได้จากพระเถระผู้ที่มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งก็มีไม่มากองในประเทศไทยสมัยก่อน เช่นอย่างท่านครูบาศีวิชัยความจริงท่านไม่ใช่เป็นพระที่แกกเครื่องรางของขลังหรือพระที่ประกาศตนเองว่าเป็นอาจารย์ผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าท่านครูบาศีวิชัยเนี่ยท่านเป็นผู้เคร่งครัตในทุกองควัดเช่นปฏิบัติในทุกองมีศีลวิสุธทธิคือศีลของท่านบริสุทธิ์และเป็นผู้ที่เจริญสมาธิจิต สมาธิที่ท่านปฏิบัติเท่าที่ศึกษาดูก็เป็นสมาธิประเภทจเจริญพุทธานุสติเป็นสมถะในเบื้องต้นแต่ทำไมจึงได้มีประชาช น, นเนี่ยเลื่อมใสท่านมากแล้วก็ท่านเหล่านี้เราจะสังเกตได้ว่าท่านไม่ใช่เป็นพระที่สะสมสมบัติเพื่อตัวท่านเองแต่ท่านได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆไว่มากมายให้เป็นประโยชน์ของศาสนา มาตราฐานเท่าถึงปัจจุบันนี้ถึงท่านจะไม่ได้สร้างอะไรที่จะเป็นรากฐานอันมั่นคงในด้านวิชาการมากแต่เราก็ยอมรับว่าในด้านฐานวัตถุต่างๆที่ท่านได้สร้างไว้นั้นได้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากมายท่านแล้วเนี่ยท่านอาศัยสมถาะาเป็นพื้นฐานแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคมเช่นสร้างโรงเรียน สร้างถนนผนทางต่างๆเวลานี้เรายังหาไม่ไม่ยากนักพระเถระที่มีปฏิปทาอย่างนี้แต่ส่วนมากแล้วเป็นผู้ที่ทําสมถะมาก่อนแล้วก็ท่านเหล่าเนี่ยถึงจะไม่บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลแต่ท่านก็นับว่าได้เสียสละมากมายอยู่จัดว่าเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีทําไว้มากแล้วก็อีกหลายท่านในสมัยปัจจุบัน ึงเราจะพบว่าแต่ละท่านเนี่ยได้ทําประโยชน์อย่างมากมายก็อาศัยสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานเช่นอย่างหลวงพ่อวัดปักน้ําภาษีเจริญอย่างนี้ท่านอาจารย์ดีวัดอโศการามอย่างเนี้ยเราจะพบว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติแล้วก็ส่วนมากก็อาศัยการทาสมาธิเนี่ยเป็นพื้นฐานส่วนในเรื่องของกระสีนี่ ปัจจุบันนี้เรายังไม่พบว่ามีสานักไหนบ้างที่ปฏิบัติเป็นร่ำเป็นสัรคือปฏิบัติกันอย่างจริงจังว่าสานักเนี่ยได้สอนให้เจริญปัฐวีกสินเราไม่พบนอกจากจะมีบางท่านที่สนใจและก็ปฏิบัติตามลำพังตนเองและก็น้อยปัจจุบันนี้น้อยมากเพราะฉะนั้นเพื่อที่ให้หลักปฏิบัติในด้านสมาธิจิตในทางพระพุทธศาสนาเรานี้ได้แพร่หลาย แล้วก็ได้รู้จักกันมากๆอาตมาเชื่อแน่ว่าบางท่านอาจจะมีวาสนาบารมีที่จะทำสมาธิกิจเหล่านี้ได้และก็จะบังเกิดผลคือจะสามารถทรงหลักปฏิบัติอันนี้เอาไว้แล้วก็ช่วยเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อไปซึ่งจะทำได้ไม่ยากนักการกรริญปทัทวีกสินครั้งที่แล้วอาตมาได้พูดถึงวิธีที่เราจะทำดวงกสิน และก็มาเป็นหลักในการเพ่งให้เกิดนิมิตถึงตัวปฏิภาคนิมิตแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่เราจะรักษาจิตเพื่อที่จะให้เกิดอัปปนาสมาธินี่เราจะทำอย่างไรเพราะว่าการที่รักษานิมิตไม่ให้สูญหายเมื่อเราปฏิบัติไปนั้นได้อธิบายให้ท่านเข้าใจไปแล้วแต่ว่าท่านได้ย้ำถึงถึงวิธีที่เราจะรักษานิมิต หรือวิธีที่จะทําให้จิตนิบรุถึงอัปปนาสมาธิไว้อีกส่วนหนึ่งซึ่งในคำทีวิสุทธิมรรคนี้ใช้คำว่าอัปปนาโกสนคำว่าโกสนเนี่ยแปลว่าความฉลาดอัปปนาในที่นี้หมายถึงสมาธิจิตที่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิคือขั้นฌานอัปปนาโกสนเนี่ยคือความฉลาดเราจะต้องใช้สติ ป, ปัญญาในการประครับประคองจิต เพื่อให้เกิดอัปปนาสมาธิว่าทำอย่างไรจิตเนี่ยจึงจะมีสมาธิสูงขึ้นต้องอฟฟาศัยความฉลาดและความฉลาดอันนี้ก็คือความฉลาดในจิตของตนเองไม่ใช่ความฉลาดในภายนอกหรือความฉลาดในเรื่องอื่นๆเป็นความฉล า, าดในการที่จะควบคุมจิตว่าเมื่อจิตตกอยู่ในภาวะเช่นนี้เราจะแก้ไขจิตของเราได้อย่างไรเพราะว่าการแก้ปัญหาในทางจิตนั้น เป็นปัญหาที่ทุกคนจะต้องแก้ด้วยตนเองใครๆก็แก้ให้เราไม่ได้ยังจิตของเราเกระทบกับอนิจฐามณมเนี่ยเราเป็นทุ้หรือจิตของเราเนี่ยฟุ้งซ่านเดือดร้อนใจอยู่เมือง น, นิดใครจะเป็นคนมาช่วยดับความเล้าร้อนในใจเราได้หรือใครจะมาทำให้จิตของเราเนี่ยสงบได้ใครๆเขาก็ช่วยเราไม่ได้นอกจากเราจะต้องช่วยตัวเราเอง การช่วตัวเองเพื่อให้เกิดสมาธิจิตหรือให้เกิดความสงบในทางจิตนั้นเป็นวิธีที่ละเอียดห่อนมากที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติด้วยกันทุกคนความฉล า, าดในจิตเนี่ยในบาลีใช้คําว่าอปปนาโภสนแต่เป็นความฉล า, าดในการที่จะประคับประคองจิตนี้ให้ให้ถึงอปปนาสมาธิถ้าขาดอปปนาโภสนแล้วจิตนี้จะไม่ถึงอปปนาสมาธิ แม้นิมิตที่เราได้ก็จะเป็นนิมิตที่เสื่อมไม่มั่นคงถาวรถ่าสแสดงว่าอาปัปนาโกศลมีมีอยู่สิวิธีด้วยกันหรือมีอยู่สิบประการในสิบประการนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ปฏิบัติได้ศึกษาให้เข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาในจิตของเราไว้ได้ตัราะปัญหาอันนี้จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ปฏิบัติทุกคน บางคนปฏิบัติทำไปแล้วแต่ว่าไม่เด็ดผลบางทีระหว่างที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่รู้สึกว่าจิตเนี่ยจะกลับกรอกดิ้นโดนได้เร็วแต่พอไปปฏิบัติแล้จึงรู้ว่าอ๋อจิตของคนนี่กลับกรอกดิ้นโดนเร็วเหลือเกินการที่เราจะให้จิตอันกลับกรอกเช่นเนี้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอย่างมั่นคงไม่เคยทําได้ง่ายเราจะรู้ว่าแต่เมื่อเราเนี่ยลงมือปฏิบัติ ในอัปนาโกผลนคือวิธีที่เราจะรักษาจิตให้ถึงอัปนาสมาธินี้ถ้าแสดงไว้ทั้งหมดสิบประการด้วยกันประการที่หนึ่งโดยการทาวัตถุให้เป็นของสะอาดในข้อที่หนึ่งโดยการทาวัตถุให้เป็นของสะอาดประการที่สองโดยการยังความ เป็นของเสมอกันแ่งอินซีให้ถึงโดยเฉพาะหรือพูด ง, ง่ายๆก็คือการปรับอินซีให้สม่ำเสมอกันประการที่สามต้องฉล า, าดต่อนิมิตฉลาดต่อนิมิตที่ปรากฏขึ้นประการที่สี่ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง ว่าประคองจิตในสมัยที่ควรประคองนั้นเป็นอย่างไรเราจะได้อธิบายกันโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งประการที่ห้าต้องรู้จักคมจิตในสมัยที่ควรคมรู้จักคมจิตในสมัยที่ควรคมประการที่หกต้องทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริง ต้องทำจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงประการที่เจ็ดย่อมเพ่งเฉยจิตย่อมเพ่งเฉยจิตในสมัยที่ควรเพ่งเฉยประการที่แปดเว้นจากบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเว้นจากบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น ประการที่เก้าเศษบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นประการที่สิบน้อมจิตไปในกลุ่มนั้ น, น, นในระหว่าอัปนาโกสนสิทในปนาโกสนสิทธินี้โดยเฉพาะข้อที่หนึ่งที่ว่าทําวัตถุให้สะอาดคือสมาธิจะเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นปัญหาที่สําคัญก็คือจะต้องทําวัตถุให้สะอาด วัตถุในที่เนี่ยหมายถึงวัตถุภายในและวัตถุภายนอกต้องทําวัตถุภายในวัตถุภายนอกให้สะอาดอาตมาได้อธิบายไว้ครั้งหนึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้นิดหน่อยว่าเช่นเป็นต้นว่าอาวัยวะใหญ่น้อยต่างๆนี่หรือองค์ชาพยศในตัวเราที่มีอยู่โดยทั่วไปเช่นอย่างผมก็ดี เล็บ ก, ก็ดีตลอดจนร่างกายของเรานี้ก็ดีจำเป็นจะต้องตัดผมให้สั้นถ้าเป็นพระภิกษุก็ต้องปรุงผมตัดเล็บคือไม่ปล่อยเล็บยาวที่ท่านให้เราตัดผมตัดเล็บชำระร่างกายให้สะอาดเนี่ยความจริงก็เป็นผลดีทางด้านอนามายัย เ ร, เรื่องของอนาคตนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เกร่งครัดมากเพราะว่านักบวชในสมัยพุทธกาลเนี่ยส่วนมากที่เป็นพวกปริพาโชคแล้วพวกนี้มักจะสปกสปรกสกปรกเนี่ยคือชอบนอนครุกกับดินกับดายไม่ค่อยได้อาบนา้ำอาบท่ากันเท่าไรนะักปล่อยผมยาวปะบา่าเหมือนพวกฮิตตี้ในปัจจุบันนี้ไว้เล็บยาว ซึ่งเป็น เ, เชื้อโรคนานาชนิดพวกนี้พวกปริพาชกพวกประเภทละเหเรร่อนหารักแลรงอะไรไม่ได้สมบลงแต่ว่าสมณะสาวเยบุตรนั้นที่เป็นสาวกของพระพุทธองค์จะทําเช่นนั้นไม่ได้พระพุทธองค์นั้นเป็นกษัตริย์โดยพชาติเพราะฉะนั้นคําสอนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในวินัยเนี่ยจึงย้ําถึงเรื่องอนาคตด้วย มันญาิของผู้ดีที่พระสงฆ์จะต้องกระพือปฏิบั ต, ติเรื่องของอนาไม่เนี่ถือเป็นเรื่องสําคัญแม้จะบรญดาบีไหนว่าพระสงฆ์ต้องปมผ้าบางสุบุลเช่นผ้าที่ห่อซากศพผ้าที่เปื้อนที่ทิ้งไว้ในขยะมูลฝอยแล้วก็ตามแต่ผ้าเหล่านี้พระสงฆ์ต้องเก็บเอามาทําความสะอาดไปก่อนแล้วจึงไปย้อมเป็นผ้าน้ําฝาดเช่นย้อมด้วยแก่นไม้ หรืม่แค่นั้นก็ย้อมโดยดินสีแดงดินแดงในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงสีแดงในปัจจุบันของกีวรแต่เป็นดินที่เป็นสีกลาบของกีวรไม่ใช่ให้ห่มสีเหลืองสีแดงฉูดฉาดอย่างที่เราห่มกันในปัจจุบันนี้พระพุทธองค์ได้ย้ำถึงเรื่องนี้ไว้มากที่นีอยู่ในพระวินัยกีวรที่พระสงฆ์ห่มก็ไม่ให้เหมินสาบเหมินสาบไม่ได้เราจะคิดว่า แม้พระที่หงษจีวรเหม็นตาบเนี่ยคงจะขลังมากแก่วิชาเจ็ดวันสิบวันไม่เคยสงน้ําเลยอย่างนั้นไม่ได้พระที่มีสมาธิปิดดีต้องสะอาดจีวรต้องไม่เหม็นตาบแล้วก็ต้องสงน้ําอย่างน้อยวันละสองครั้งไม่ใช่ว่าแม้ท่านขลังมากแก่วิชาพรโด ย, โดยโปกติแล้วท่านทั้งหลายเนี่มักจะเข้าใจผิดบางทีพระบ้าบาบาบ เดิมคุณรมนุ่นพำร่วบพระบริกรรมภาถาพระทําอะไรบ้องๆก็ว่าเนี่ยทําใบหวยอะไรทํานองเนี้ว่าเนี่ยท่านแก่วิชาวิชาท่านดีมากผล <c oughs> สุดท้ายก็เลยไปกราบไปไหว้วุ่นกันใหญ่ในปัจจุบันก็เป็นโดยเหตุนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจว่าหลักวิชาการที่ท่านได้วางไว้นั้นท่านให้ปฏิบัติอย่างไรแล้วเราก็ต้องศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้นๆ ไม่ใช่ว่าพอไปเห็นเขาแล้วก็คิดว่าเนี่ยท่านครั้งมากในสำนองนี้ซึ่งอันนั้นผิดละการที่สอนให้ทําวัตถุให้สะอาดเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุที่ไม่สะอาดนั้นเกิดโทษมากโทษของวัตถุที่ไม่สะอาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัตถุภายในหรือวัตถุภายนอกก็ตามท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่า บุคคลบางคนที่ไม่พิถีพิถันในเรื่องการทําความสะอาดให้แก่ร่างกายเช่นก่อยให้ร่างกายเนี่ยตกปลกไว้ผมยาวไ ว, าว้เล็บยาวเหนือใครก็ไม่เคยที่จะขัดถูให้สะอาดบุคคลผู้ที่มีวัตถุภายในอันไม่สะอาดอย่างเนี้ยก็บอกจิตกับเจตสิกก็ไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ด้วยถ้าหากว่าร่างกายสะอาดจิตก็สะอาดถ้าบอกว่าเปรียบดูดแสงสวา่างแห่งเปลวกระที้ต้องอาศัยตัวตะเกียงต้องอาศัยไส้ตะเกียงต้องอาศัยน้ํามันทนี้ถ้าตัวตะเกียงก็ดีไส้ก็ดีน้ํามันก็ดีบริสุทธิ์ ที่ครอบเช่นอย่างโาะไฟที่เราครอบกันอยู่เนี่ยหรือหลอดไฟก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยแสงไฟจินจะสว่างสวยสดใสดีถ้าหากว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ไม่บริสุทธิ์ไม่สะอาดแล้วแสงไฟก็จะมัวไม่ไม่ผ่องใสข้อนี้ชั้นใดจิตเจตสิกก็เหมือนกันถ้าหากว่าร่างกายไม่สะอาดจิตกับเจตสิกนั้นก็จะสะอาดไม่ได้ ความประนีในทางจิตเจตสิกเนี่ยต้องอาศัยการชำระวัตถุภายในให้สะอาดด้วยเมื่อวัตถุสะอาดแล้วจิตเจตสิกก็จะสะอาดติดตามมาจิตนี้ก็จะเป็นจิตที่ประนีเป็นจิตที่บริสุทธิ์ดีขึ้นแสดาวว่าประโยคีที่จะพิจารณาสังขารด้วยยาที่ไม่บริสุทธิ์ สังขารก็จะไม่ปรากฏให้เห็นโดยแจ่มชัดแต่ถ้าหากว่าประโยคีนั้นได้พิจารณาสังขารด้วยญาณอันบริสุทธิ์สังขารก็จะปรากฏให้เห็นโดยเด่นชัดเรือปรากฏให้เห็นโดยเด่นชัดในที่นี้หมายถึงเราจะพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์หรือความเป็นอนัตตาของสังขารเราก็ต้องมีญาณอันบริสุทธิ์ ถายานไม่ บ, บริสุทธิ์ก็จะเห็นสังขารอันบริสุทธิ์นี้ไม่ได้ก็จําเป็นต้องทํายานของตอนเองเนี่ยให้บริสุทธิ์ขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวัตถุภายในภายนอกไม่สะอาดเช่นอผมขนเล็ดหรือว่าร่างกายเนี่ยไม่สะอาดซึ่งเป็นวัตถุภายในเสื้อผ้าตลอดจนที่อยู่ที่อาศัยไม่สะอาดจิตก็ประนีตขึ้นไม่ได้จําเป็นต้องอาศัยความสะอาดเนี่ยเข้ามาประกอบ และท่านก็เชียเห็นว่าอา น, นิสง์ของการทำวัตถุให้สะอาดนั้นมีประโยชน์อย่างไรถ้าบอกว่าวัตถุภายในภายนอกเนี่ยถ้าสะอาดแล้วยานปัญญาที่เกิดเนื่องกันกับวัตถุเช่นนี้ก็จะสะอาดบริสุทธิ์ด้วยดุดแสงสว่างซึ่งต้องอาศัยตัวตะเกียงไส้ตะเกียงและเปลวประชีพที่บริสุทธิ์ก็ย่อมจะบริสุทธิ์ผองายขึ้น ข้อนี้บุคคลที่จะพิจารณาถึงสังขารด้วยยานอันใดซึ่งยานอันนั้นเป็นยานอันบริสุทธิ์แล้วสังขารก็ย่อมจะปรากฏเห็นได้ชัดถ้าหากว่ายานปัญญาไม่บริสุทธิ์สังขารก็จะปรากฏให้เห็นชัดเนี่ยไม่ได้นี่เป็นเรื่องของการทําวัตถุเนี่ยให้สะอาดซึ่งก็เป็นอั ป, ปนาโกสลข้อที่หนึ่งซึ่งต้องอาศัยความเฉลียวฉลาดในด้านนี้เพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวกันทั่วไปว่า มนุษย์ที่จัดว่าเป็นอารยะชนหรือเป็นชนที่เจริญแล้วนั้นต้องเป็นคนที่สะอาดต้องเป็นคนมีวัฒนธรรมเราจึงเรียกว่าเป็นคนเจริญถ้าไม่สะอาดไม่มีวัฒนธรรมมนุษย์เช่นนั้นก็ไม่จัดว่าเป็นอารยะชนไม่จัดว่าเป็นคนที่เจริญนี่เป็นอ ป, ปนาโปสนข้อที่หนึ่งเราต้องทาวัตถุนี้ให้สะอาดผู้ปฏิบัตินี้จะต้องมีสถานที่สะอาด มีร่างกายสะอาดเสื้อผ้าที่ใส่ก็ต้องสะอาดคำว่าสะอาดนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะต้องใช้ของที่มีราคาแพงเหมือนกับผู้ที่มีร่างกายสะอาดก็ไม่ใช่หมายถึงว่าคนเนี้มีเสื้อผ้าราคาแพงๆไว้สวมใส่ความสะอาดไม่ใช่อยู่ที่ราคาของวัตถุแต่อยู่ที่การทําความสะอาดของวัตถุรู้จักจัดสรรให้เป็นระเบียบเราเรียกว่าเนี่ยเป็นคนที่สะอาดความสะอาดไม่ได้เกี่ยวกับราคาเพราะฉะนั้น คนบางคนก็อาจจะใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีราคาแต่ว่าเสื้อผ้าที่สวนใส่เนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่สะอาดซึ่งบางคนอาจจะใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแต่ว่าเมื่อใส่แล้วก็ไม่เคยทำความสะอาดเท่าไรนักเป็นแต่เพือาศัยน้ําหอมเคยดับกลิ่นไปครั้งครั้งหนึ่งเวลาจะสวมใส่ก็ดับกลิ่นกันเสียทีหนึ่งแต่ว่าความสะอาดของวัตถุนั้นมีน้อยเนี่ยท่านไม่ใช่หมายถึงว่าความสะอาดนั้นต้องอยู่ที่ราคาแม้บ้านจะอยู่อาศัย บ้านที่สะอาดไม่ใช่หมายถึงบ้านที่ต้องมีรัฐ